นตีนภาตั้งนะั่นน่ะนั่นตีบัวนะ่ะมันรูม้มผิด อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากมนั้นไม่สะดกวกค่าทรับซกันอยู่ถ้าอยู่ยังพระหันท่านนี้พระประเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรว่าต่างคนต่า ง, งที่พิเลสแล้วไม่มีอะไรที่ มาลักแค่ราคายมากระตทบกระทือนกันเหมือนพวกครั่งกิเลสอย่างพวกเรานี้พวกนี้มันพวกครั่งกิเลสทั้งๆที่ปฏิบัติธรรมะอยู่นั่นแหละให้กิเลสมันเหยียบหัวออกมาได้อย่างสะดวกสบายไม่รู้สึกตัวยังภูมิใจไปด้วยกับกิเลสนั้นขนาดนั้นน่ะจะมันน่าสังเวชถ้ามีความรู้เหนือนั่นดูแล้วมันขันหนาสังเวชนะแต่เจ้าของภูมิใจ นี่อันหนึ่งที่ทำให้สลดสังเวศอยู่มากผมทนนะอยู่กับหมูกับเพื่อนนะผมไม่อยากพกไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเทพหมดกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมทุ่มลงหมดเพื่อหมูเพื่อคณนะด้วยความเมตตาจริงๆไม่ได้เสกสรรมากก็ทนเอา แล้วมันก็ไม่พ้นยู่ใจกิเลสมันออกมาเพ่นพ่านไม่ขึ้นเวทีเหยียบหัวผ้าหัวเนินอยู่ในวัดในวาของผู้ปฏิบัติไม่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติแม้ไม่แสดงออกมาก็เหยียบอยู่ภายในนี่นเคยพูดเสมอ พูดออกมาจากความจริงพูดด้วยการพิจารณาอยู่แล้วและพิจารณาแล้ว เ, เรื่องของวิเดตกับธรรมมันเป็นยังไงก็เหมือนกับธนบัตรจริงกับธนบัตปรปลอ ม, มนะ่ะตาธรรมดาตัวตัวไปอย่างเรามันไม่รูธนบัตปรปลอมกับธนบัตรจริงตาที่ คันรู้ทํานั้นถึงจะรู้ได้ในหมดเรายกตัวอย่างเช่นบ้านนอกเนี่ยมันมีพอสองสามลายไม่จะรู้ธนาบัตรปลอมเช่นอยายกตัวอย่างบ้านตาดัดเนี่ยทั้งบ้านนั้นรู้ไหมธนาบัตรปลอมไม่รู้เพราะว่ายื่นอะไรฮะผกความัฟความับฟ ตาไม่ทันตาไม่ทันของปลอมสติปัญญาไม่ทันของปลอมอยู่ภายในใจตัวเองก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันเลยนิดหนึ่งก็ไม่มีตาของผู้ชำนานธนบัตรถึงจะรู้มือสัมผัสภพัพรู้ทันทีไม่ถึงจะต้องตาต้องดูและเพราะความํำนาญ นี่ปฏิบัติให้ทันกับที่เร็วลองดูสิทำมามันจะไม่รู้มันยับออกมาที่ไหนมันก็รู้รู้ทางนั้นถ้าในหัวใจเจ้าของไม่มือนมันยับออกที่ไหนก็รู้ในหัวใจเจ้าของมันต้องรู้อย่างนั้นก่อนมันถึงจะทําลายกันได้ถ้าไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ทําลายกันไม่ได้ทําลายมันไม่ได้นี่แหละธน้าบัดปองกับถนบัตรกิน ระหว่างทรรมกับทรรมกับอัรรมมันอยู่ด้วยกันแทรกด้วยกันในหัวใจของเราดวงเดียวนี่มันไม่ไม่มีทางที่จะรู้ได้ ท, ทั้งทั้งที่ว่าตัวประกอบความภาคเพียนเพื่อ ก, กรันกรองสิ่งเหล่านี้ออกแต่สุดท่ามนมันก็ขับไล่เราทาของเราออกไงหมดมันเหลือแต่ของปลอมเต็มหัวใจเราไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่นที่เกาะ ที่ยุดที่มั่นใจมันมีแต่ของปลอมเป็นหัวใจอยู่แล้วอย่างนั้นเราคิดดูดิพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่อ้ากราบว่วล่ะโลกทั้งโลกไม่ไม่เห็นของปลอมของจริง ทั้งที่มีอยู่ในหัวใจทุกดวงทุกดวงอพระพุทธเจ้าทรงรู้พระอรหันต์ท่านรู้ละอสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้สัตว์โลกทั้งหลายละไม่เป็นไม่รู้จักวิธีละไม่รู้แล้วก็ยังละไม่ไม่ไมเป็นละไม่ถูกแต่ท่านรู้ ธรรนละเนี่ยกันมากล่ะกับพวกเราอย่างนี้อยู่ครกราบหรือว่ากูตังสนางกระชามีเป็นอย่างนี้ทมที่เป็นของแท้กับสนังกระชามีก็เช่นเดียวกันใจของปลอมกับธรรมของแท้จะเข้ากันได้ไง ทั้งครั้งทั้งนั่งกับฉันเหมือนกันใจท่านบริสุทิ์เต็มดวงกับธรรมที่บริสุทิ์เต็มที่ทําในหักธรรมชาติขาเข้ากันได้ชนิดปฏิบัติธรรมจริงต้องได้ใช้ความพยายามเอาอย่างมากเดียวนั่เฉะนั้นเขา ไม่พ้นที่จะแต้มันตกหูตกตาอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่พ้นเรื่องที่กล่าวมานี้ยเรื่ยอยงหตนี้การฝึกสามานจริงต้องใช้หลายอุบายวิธีต่างๆ ต, ตามแต่ใครจะคิ ด, ด้ดยค้นโดยอุบายอะไรออกมาเพื่อการแก้ไขต่อสู้กับ สิ่งที่เป็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้มีมากขนาดไหนเพีงแปดมื่สีพันพระธรรมขันธ์นั้นพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยแล้วอุบายวิธีการที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามภพสามโลกจะมากมายขนาดไหนใทรเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า คณะไหนเข้ามาพบอพ่อพูดแตเจ้าพราะองค์จะทรงแสดงไปตามสถิตนิสัยของภูนั้นของคณะนั้นๆธรรมะจึงไม่ซ้ํารอยกันมีกี่หมืน่นกี่แสนรายก็แยกก็แยะสอนเอย่างนั้นนั่น่ะธรรมะที่นํามาสอนโลกมากขนาดนั้นเราจะมาจดจาริ้วไหวเหนือสอนพระองค์สอนโลกมานานเท่าไหร่ สีา พ, พันห้าพันภาษาโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายเพียงไรในรายบุคคลก็ดีเป็นคณะก็ดีทั้งประชาชนพระเนรเต็มไปหมดทั้งจะใช้วิชาที่ดึกลับเข้าไปอีกอย่างที่ยานอย่างทราบเนี่ยสอนพวกที่ไม่มองหาร่างไม่เจอสอนอยังไง อย่างพวกเทศพวกเปรตพวกผีบางประเภทที่ควรจะรับพระอาวาสควรจะโปรดได้มีอยู่มากมายแล้วพวกตาบอดก็ปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีอย่างนี้จะว่างไงนี่แหละที่ว่าอะทำ ม, มันค้านท ร, รมนันเป็นค่าติดต่อทรรมแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสัทธาเทวมนุษยสานั ง, งนับพร้เทวดามีกี่มีกี่ชั้น มีกี่ประเภทของเทวดานับจากภูมิเทวดาอากาสาเทวดาลุกขะเทวดาเค้นไปจนมาทั่งถึงพรหมโลกมากไหมนี่จะต้องใช้วิชาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นวิชาทัา่วไปอย่างที่เราสอนโลกทั้งหลายนี้ถ้าองค์ไม่ได้นาไปใช้ทำประเภทนี้ไม่ได้นาไปใช้กับพวก สัตว์ประเภทนั้นชัด ต, ตาก็แปลว่าผู้ค้องจึงเรียกว่าสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้ได้ำนำมีอีกคาประเภทหนึ่งต่างหากที่สอนโลกนั้นโลกนั้นภูมินั้นไม่ได้เป็นธรรมประเภทที่สอนพวกเราทั้งหลายดังที่จดจารึกไว้เต็มธรรมเพียร ยังมากกว่านี้อีกท่านสอนแบบประเภ ท, ที่ลึกลับสลับซับซ้อนด้วยธรรมที่ดึกลับสลับซับซ้อนเช่นเดียวกันมีจํานวนมากขนาดไหนเนี่ยฟังเลยเนี่ยจิวาศาสตรสดาเป็นอย่างนี้แหละพวกเราไม่เห็นท่านเห็นพวกเราไม่รู้ท่านรู้ท่านสอนนี่แหละ วิสัยของใจหรือเรียกว่าพุทธวิสัยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านะั้นะต่างกับวิสัยของสาวกและสามัญชนทั่วไปอยู่มากมาทีเดียวคาดกันไม่ได้อามาเทียบกันไม่ได้เลยเนี่ยธรรมที่นํามาสอนโลกมีหลายประเภทอย่างนี้เราจะพูดอะไรเพียงแปดหม่นสีพันพระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นมันจะพอกับตามสอนสัตว์โลก ให้เป็นจัดโลกที่ดีและหลุดพ้นไปโดยลาดับได้ต้องมากมายเครื่องมือที่จะสอนคนใหด้ดีเช่นเดียวกับเครื่องมือที่จะสร้างตึรามบ้านช่องใ ห, ใหญ่โตโตแน่นหนามัน่นคงนั่นเนี่ยจะมีมากขนาดไหนเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามบ้านทองอย่างใหญ่โตละหโหฐานแน่นหนามัน่นคงกว้างขวาง สร้างสัตว์โลกให้ดีก็เหมือนกันเช่นนั้นมีหลายประเภทก็ด้วยสัตว์โลกนี่จะทรงสั่งสอนด้วยอัดุ้ดทำให้พอเหมาะพอควรกับประเภทนั้นๆนี่สอนพวกเรานี่เป็นธรรมะที่มนุษย์ควรจะทราบก็สอนมนุษย์ด้วยธรรมะของมนุษย์นี่พวกเทพ เป็นชั้นๆและเป็นภูมิเป็นชั้นก็ไปอีกก็เทศสอนตามขั้นตามภูมิของพวกเทพนั้นๆตลอดถึงเปรตผีอะไรก็แล้วแต่มันมีมากต่อมากที่อยู่ในข่ายของพระองค์พอที่จะโปรนได้นั้ น, นก็ต้องแนะนำทำมาสอนทำเหล่านี้ไม่มีใครรู้มีบ้างกับยนสาวกตามวิสัยของสาวกเท่านั้นที่จะสอนได้เพียงอยู่ในขอบเขตของตน ไมไ่เลยเลยอวามผิดนิสัยของตนไปได้เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยถ้าเป็นน้ำขอเรากับวดัดมหาสมุทรทะเลนั่นกว้างแสนกว้างอย่างนั้นเองความรู้ของโบจึงควรแต่การสอนโลกได้นีเราพูดถึงเรื่องทมไม่ใช่จะมีแต่เรารู้เราเห็นเราเรียนตามตำรับกาลัง สวดสังวัตญาคันจำได้มาปฏิบัติกันนี้เท่านั้นไม่ได้มีไม่มิมีเพียงเท่านี้มากยิก่งกว่านี้เป็นดังไหนอันการปฏิบัติทางด้านพิจาวนาก็อีกเช่นเดียวกันความพิจารณาของจิตที่เกิดขึ้นในขั้นสมาธินี่ก็มาคอยพิจารณาได้มากนะัก แต่ยังไงก็ผิดคนธรรมดาที่ไม่เคยเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิอยู่มากทั้งๆ ท, ที่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่นักกันแหละแต่ก็มากสำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เป็นได้ในสมาธิขั้นนั้นๆแต่ก็ก้าวออกทางขั้นปัญญานั่นละ่ะวิจิตพิสดารนอะมากหมาย ก, การของไม่ เนี่ยว่าเกินค่าเกินหมายแม้ตัวเองผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ได้คาดไปหมายไว้ว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็เห็นประจักษ์ในขณะที่เหมาะสมความรู้รฐานะกำลังวังชาแห่งความรู้ความฉลาดของตนที่ควรจะรู้จะเห็นแล้วปิดมาอยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้นั่นในธรรมทั้งหลายน่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นเป็นยังไงที่นี่ ามาเที่ยวกันดูเดิขนาดกว้างพิสดารอย่างนั้นนี่ไม่ใช่วิสัยของเราธรรมดาธรรมนาทั่วๆัวไปที่จะมาเทียบมาเคียงมาตักคะแนนมาให้คะแนนพระพุทธเจ้าได้เพราะมันมันมันเลยภูมิของสัตว์ทั้งหลายไปเสียทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าภูมิของสัตว์ประดานแล้วเปลี่ยนช่อนั้นซึ่ง ควรกราบว่าอย่าง ย, างยางิ่งสาหรับเราทมก็เหมือนกันความมัธมเพียงเท่านั้นสร้างไปหมดเลยลังครั้งแต่ละองค์มีจิตที่เลิศเลอเหมือนกันอีกอนี่แหละทีพ่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายผู้ที่เจ้าท่านสอนมาถึงขั้นอรหัตตบุคคล ทำที่ว่าทำทำนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนํามาสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไพ่พอเหมาะพอดีกับจริษฐนิสัยประเภทนั้นๆไม่มีธรรมะอาัดพระอันที่สัปดาจะสอนไม่ได้ทั้งๆที่พวกนี้ควรจะรู้จะเห็นได้อยู่แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะสอนให้ดู้ใหเห็นได้เหล่านี้ได้มีนอกจากเป็นประเภทตระทะปรมาเช่นเดียวกับประเภทคนไข้ที่ ไอซีพวกเข้าห้องไอซีวีหรือประเภทไอซีวีมันหมอไหนยาไหนก็มันก็สุตรวิสยัยสั่นโรคประเภทนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางจะสอนได้แต่ว่าสุตวิสัยของเบงเจ้าก็ไม่ใช่มันวุสดด่สุตรวิสัยของเขาที่จะรับทำนั่นเคยสอนโรคมาให้เลือดประสุดยาว่าแต่ดีไว้เลยให้เลือดให้ประสุดมามากกว่ามากแล้วสั่นโรค ตั้งแต่ขั้นที่กิเลสเต็มหัวใจจนกลายเป็นผู้สิ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนั้นอ่ะผู้เลิศคือผู้เช่นนั้น mm. พระองค์ทรงสอนให้เลิศมามากต่อมากแล้วแต่พวกปัทถาปรมานี้มันหมดวิสัยของมันชุดวิสัยของมันที่จะรับได้ไม่ใช่พุกพระเจ้าไม่ทรงสามารถทำนี่สามารถอยู่แล้วเคยสอนโลกมามากต่อมากแล้วทําไมจะไม่สามารถนอกจาก ละนั้นมันหมดทางที่จะรับหูห่วงตาบอดทั้งๆที่หูดีตาดีความเชื่อบุญเชื่อบาปไม่มีในหัวใจจึงไม่มีเกดใจที่จะปฏิบัติและไม่มีเก่ใจที่จะเชื่อถือในธรรมทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขาเชื่อถือกันและผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้มากขนาดไหนผู้ที่มันจะแหวกออกจากตาขาย การทำทั้งหลายมันก็แวกไปได้อย่างนั้นแหละท่านจึงเรียวผู้หนาผู้บางโลกนี้มันต่างกันอย่างนี้เห็นปฏิบัติเพียงพวกเราเร า, เราท่านๆก็ลองดูสิปฏิบัติให้จิตใจได้เป็นไปตามภูมิอัดภูมิทมดัง พ, พระพุทธเจ้าทรงรแสดงแล้วสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นตามมิสัยของตนจะปิดบงังนี้ลับที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว เ็นแียงว่าเราไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่มีเราจึงไม่เห็นไม่อีตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ตามสภาพของมันอันไหนที่อยู่ในวิสัยของเราพอที่จะรู้ได้เราก็พอรู้ได้รู้ได้รู้ได้นั่งที่เราไม่รู้ได้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น่างกายเนี่ยแต่ทางใจมนพิสดารมากเราก็รู้ได้แค่ นิสัยของเราพอรู้ได้ทันใจนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วไม่ดูหนัส่วรทำใจที่กั่นกรองด้วยดีและกั่นกรองดีและเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนนล้วต้องรู้อืรู้ตามภูมิแห่ง น, นิสัยวัสนาของตนน่นภูมิของพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเรียกว่าสะ พูดทวีัยอันนั้นไม่มีอะไรจะไปเทียบได้เลยถ้านาม้นามก็พอเทียบได้แต่ว่าเป็นมหาสมุทรเท่านั้นอกว้างแคบขนาดไหนดูเอามหาสมุทรอันนี้เราเพียงเทียบนะมันยังมีฝั่งมหาสมุทร่น่ะกว้างขนาดไหนมันก็ไม่พ้นฝั่งมองหาฝั่งไม่เจอฝั่งที่เรายืนอยู่นี่มันก็มีมันก็เจอจนได้ส่วนความรู้ของบุรีเจ้านี้ไม่มีสินใด ผู้ได้จะมาวัดมาเทียบความสั้นความยาวความกว้างความลึกละเอียดแล้วผมได้เลยนี่จึงว่าพุทธวิสัยความรู้ประเภทนี้แหละสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่ว่าส่วนยาส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดได้อย่างเต็มพระไถ่ไม่สงสัย แต่การนำมาสอนโลกนั้นจะทรงสอนเฉพาะสิ่งที่อยู่ในวิสัยของโลกจะพอรู้ได้เห็นได้สิ่งนั้นก็ไม่จําเป็นทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปกันั้นถ้าันเบนแต่อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ศาสตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งที่สัตว์โลกสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเยียนมาเกิดแก่เกิดตายเป็นเดือนอยู่เดือนนอนเดือนตายเดือนเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนในสิ่งนี้ ทีอยู่ในยิสัยของสัตว์ที่จะเป็นไปได้ในเนี้ยนี้สอนอืเป็นสอนว่านรกอย่าง น, นี้เพราะสัตว์ตัวนายมันไม่ตกนรกมันมีที่ไหนนะฟังดิมันสัมผัสสัมพันธ์ผัวพันุ์กันอยู่หรือเผามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ชักเท่าไหร่แล้วจินแต่ละดวงละดวงนั้นอ่ะมันไปตกนรกมัรู้กี่ครั้งกี่หนเราอยับเราจะไปคิดอย่างอื่นเอาอย่างนี้นี่แหละที่พูดทีเจ้าทรงสอนสอนสิ่งที่มัน คุกคีกันอยู่พัวพันกันอยู่ตลอดเวลาในภพในชาติหนึ่งๆพ้นจากสิ่งนี้ไปไม่ได้นรกเอากี่หลุมก็บอกไปหมดเพราะสัตว์มันไปตกและทุกหลุมนรกหลุมไหนที่ที่ว่างจากสัตว์โลกสัตโลกไม่ไปตกนรกนั่นร้างเหมือนบ้านร้างมมนมีค น, นมีที่ไหนฟังต่มีตั้งแต่สัตว์โลกไปตกจนได้จนได้ตามขั้นภูมิ หรือตามความหนักเบาแห่งโทษแห่งกรรมของตัวเองนี่ไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นโอกีอย่างนั้นอืมี่หลุมท่านก็นอธิบายได้หมดท่านอธิบายอย่างละเอียดในมหาวิบากน่ะละเอียดมากทีเดียวในะหลุมนระ ก, นกมีกี่หลุมกี่หลุมหลุมหนึ่งเป็นยังไงหลุมที่ว่าที่หนักที่สุดเป็นยังไงแล้วถัดมันขึ้นมาขึ้นมาเป็นลําดับลําดานี่ท่านคนสอนอมไม่รู้สอนได้ยังไงสอนอย่างนั้ น, นก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอน พ่อทรงรู้ทรงเห็นอย่าว่าจะเห็นนรกนี่เลยยังเห็นสัต์ทั้งหลายที่ไปตกนรกแต่ละหลุมแตหลุมนั้นเต็มไปหมดไม่มีความบ้างจากสัตเลยนรกแต่ละหลุมนั้นนั่นมันมีความจําเป็นอยู่อย่างนี้กับสัตว์โลกจึงต้องดสอนให้รู้โทษแห่งบาปแห่งกรรมที่เป็นทางก้าวเข้าสู่นรกนั้นแล้วสอนบาปมีนี่บาปเนี่ยเป็นเครื่องผักเครื่องดันให้ลงไปตงนรกได้นั่นบุญมีบุญเป็นเครื่องหนุน ให้ไปสู่ความดีคติอันเหมาะสมจนกระทั่งถึงบุตรความหลุดพ้นพ้นจากบุญนี่ไปไม่ได้นี่มันมีความจินเหล่านี้มีความจําเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนนั่นอย่างนี้ต่างหากนะไม่ใช่จะเอามาสอนซุ่มสี่ซุมห้าสอนให้พอเหมาะพอดีกับตดีนิสัยของสัตวความรู้ของสัตว์ที่พอจะเป็นไปได้แนหนใก็ทรงสอ น, นเช่นบาปมีบาปมันเผามนุษย์เผาสารโลกอยู่เต็มโลกกระถางนันี้ มันว่างจากบาปเมื่อไหร่สับโลกเนี้ยอยู่ด้วยบุญด้วย บ, บาปไทั้งนั้นเออถ้าขานกันอยู่ถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็ห น, นกนหนุนกันไปหนุนกันมาสับปนกันอย่านี่ย<ม>พอดีก็ก็ทําทชั่วก็ทำสุขก็ได้รับทุกข์ก็ได้รับมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสัตร์แต่ละแต่ละหลายหลายเนี่ยว่างเมื่อไหร่นี่จึงจําเป็นที่พระองค์จะต้องสอน บ, บาปมีให้กลัวเออบาปนี่แหละทับ ผักลงไปนรกถึงมั็นนรกแล้วเป็นร้อนก็นเพราะอํานาจแห่งบาปอีกมิบากนั่นมันหลายขัน้นหลายถุนหลายตอนบุญบอกนระกกี่หลุมก็บอกหมดเพราะเป็นภัยต่อสัตว์บอกพิถีละวิถีเว้นหลีกเลี่ยงจากนระกนี้หลีกเลี่ยงยังไงคืออย่าทําบาปเนี่ยท่านก็อสอนบาปประเภทไหนควรจะเป็นไปยังไงให้รับทุกข์ทรมานมาก น, อนก้อยอย่างไรสอนเป็น ทุกแงทุกมุมไม่มีรละเอยดก็เกินพระพุทธเก้าสอนโลกแหละที่นี่ถึงพูดถึงแล้ว่าสวรรค์ก็เหมือนกันตั้งแต่สวรรค์หกชั้นขึ้นจะกระทั่งถึงทมโลกนี่เป็นที่อยู่ของผู้มีความดีเป็นขั้นๆ้นขึ้นไปอตอนกระทั่งถึงทมโลกห้าชั้นอันนั้นถึงขั้นของพระ อ, อนาคามีผู้ควรที่จะก้าวเข้าไปไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับมาอีกแล้วก็ ก, ก้าวเข้าไปสู่ ภูมิห้านี่คืออะไรธมโมโลกห้าชั้นชั้นเรียกว่าสุดทาวารถัดแปออกก็ว่าที่อยู่หองผู้บริสุทธิ์คำบาบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นกิเลสแล้วคือผู้นี้จ ะ, จะเป็นผู้ติดก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์โดยถ่าเดียวเท่านั้นยังไงก็ไม่กลับมาอีกอนี่อยู่ห้าชั้น อ, อวิหามนี่เป็นชั้นต่ำละ่ะ ระดับของพระนาคามีถ้าตนสอบก็ตั้งแต่50เปอร์เซ็นตไดใ้ให้ถือว่าได้อย่างนี้ก่อนนี่แหละระดับบรรจุพระนาคามีขั้น50เปอร์เซ็นตอวิหารอัตปาก็สูงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปอวิหารอตป า, าสุตสัสสาสุทัสสีอคกนิ t ฐานี่5ชั้นเมื่อก้าวเข้าสู่อวิหารอี่แล้ว ในขั้นที่เทียบกับว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตว่ะนี่แล้วธรรมชาติอันนั้นจะค่อยเป็นไปในตัวเองอเหมือนผลไ ม, ม้ที่แก่แล้วมีตั้งแต่จะสูกเลยถ่ายเดียวก้าวเข้าสู่ความสุขออันนี้ก็ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจากห้าสิบที่ได้ระดับนี้แล้วก็ก้าวขึ้นหกสิบเจ็ดสิบไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นอวิหะตาปลาซูรักษาซุรัสีเ ร, รื่อยขึ้นไปไม่มีธรรมะถอยหลังกลับลงมามี่เป็นหลักธรรมชาติแทน ทำขั้นนี้นี่ว่าทาเป็นเองค่อย แ, แต่กล้าไปเองอย่าง น, นี้ถ้าจะเทียบกับหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็คือหลักของปัญญาที่ก้าวเดินแล้วอยู่ในขั้นภาวนามยปัญญาแล้วผู้นึงอ่ะขั้นนี้เป็นขั้นที่จะก้าวไปโดยธรรมดาไม่มีธรรมะถอยถ้าจิตลงเลิกก้าวก็สู่ภาวนามยปัญญาแล้วมันเนี่ยท่านตัวนี้และ เมื่อตายไปยังไม่สิ้นสุดตามความต้องการหรือตามความมุ่งหมายนี้ก็ไปพรมโลกห้าชั้นนั้นที่เรียกว่าสุดทาวาสแล้วก็เป็นไปในตัวเองอีกเช่นเดียวกันกับที่อยู่ในขันอันนี้ท่า น, นี้คือเป็นภาวนามาย์ปัญญาหากเป็นเรื่องของตัวเองหมุนไปในตัวอยู่ในอยู่ในนั้นอันคำวมหมุนหมุนนี้มันพูดยากนะเอ mm hmm. ก็เหมือนขนไม้ที่แก่อยู่ในตัวเองนั่นเนี่ยเอาเทียบนี้พอเทียบได้เมื่อแก่แล้วก็ ค่อยๆแกะเข้าไปแกะไปไม่มีที่จะถอยมาอีกและไม่เน่าไม่เฟะจะไปเป็นไปเพื่อสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นน่ะนี่ห้าท่านนี้ไม่กลับนอกจากนั้นยังมีกลับอายุเจ็ดหมื่นปีแปดหมื่นปีในพม่มโลกกลับได้ถ้ายังไม่ได้มีธรรมะอันสำคัญเข้าเป็นอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมท่านเรียกว่าอุปนิสัยเข้าฝังใจ เมื่อเข้าแล้วก็แน่เช่นอย่างพระโสดาอย่างนี้อันนี้แน่นั่นโสตดาแล้วก็กระแสกระแสพระนิพพานนี้กระแส ง, แสงความท้นทุกข์พาดพิงถึงใจนี้แล้วเข้านี้แล้วเนี่ยนิสัยอุปนิสัยแน่แล้วผู้ที่ยังไม่สำเร็จพระโสดามีอุปนิสัยถึงขั้นปา่าถ่านก็มีมากมายอากาศกองเราอยากเข้าใจว่าเพียงขั้นภูมิอพระโสดานี้จะเป็นอุปนิสัยเป็นเจ้าของแห่งอุปนิสัย แต่ผู้เดียวหรือแต่อย่างเดียวไม่ได้อืพูดท่านเหล่านั้นยังไม่ได้ว่าเป็นสำเร็จในขั้นใดแต่ภูมินั้นสามารถที่จะบรรลุทำถึงขั้นสุดยอดได้มนนีเช่นเดียวกันกับผู้เป็นพระโสดาที่จะค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนั่นแหละนี่นี่เป็นเป็นภูมิของสัตว์โลกที่จะต้องไปเกิดจิตบิญยาณของสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นไปอย่อยางนี้สับปนกันอยู่ตลอดเวลา ทุกพบทุกชาติทุกตรงไหนแห่ใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่างจากความเกิดท้องจัดไม่มีเลยเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมตามนาาแห่งกรรมท่านจึงได้สอนใ น, ในสามพบนี้ที่เหมาะกับผู้ที่จะรับประยุ์จากการฟังหรือด้วยการฟังจากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยู่ในแน่นี้ภูมินี้ อันใดที่ไม่ใช่วิสัยของสัตว์โลกเหล่านี้จะรู้จะเห็นจะเป็นประโยชน์จากตนเขาไม่นํามาสอนรู้เต็มพระไทยก็ไม่นํามาสอนยกไว้เป็นประเภทประเภทประเภ ท, เภทนันี่แหละธรรมที่ผู้เจ้าสมคงรู้จงเห็นเป็นยังไงฟังเลยว่างขนาดไหนเลือกซึ้งขนาดไหนที่แยกออกมาสั่งสอนสัตว์โลกนี้เป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมแห่งธรรมแห่งธรรมนะแล้วกระทั่งถึงอรหัตภูมิถึงนิพพานนี่เรียกว่าธรรม เพื่อก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์มันทำที่เห็นอยู่รู้อยู่ตามแบบธรรมชาติของมันของสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นเป็นอันหนึง่งเช่นอย่างรู้นรกเห็นนรกรู้สวรรค์เห็นสวรรค์รู้บาปรู้บุญเห็นบาปเห็นบุญตลอดถึงสาติโลกไปยังไงไงได้สวยกรรมเพราะเหตุผลกลกอะไนี้ทรงรู้ทรงรู้อยู่นั้นอันนี้ไม่ไม่ไม่ส่งแก้เพียงแต่เพียงว่าทราบไปตามธรรมดาเหมือนอย่างกรตุก เหมือนอย่างเจตุปาตัวอย่างทรงทราบความเคลื่อนไหวความเกิดความตายของจัตต์โลกที่ไม่มีบินยานดวงในที่จะอยู่เป็นอิสระได้มีตั้งแต่การเยียนวายเยี่ยนว่ า, ววาตายเกิดถูกสัตดไปนู้นสัดไปนี้เพราะดำนั่นแหละสัดไปสูงสู ง, สงต่ำต่ำนีำำ่มันนอนอยู่ทางนี้พระองค์ก็สอนตามภูมิเหล่านี้ให้เรียนรู้นี่แล้วใครที่จะมาสามารถสอนได้อย่างพระพุทธเจ้ามิทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงมาสอนโลกนั่นฟังเหม พระองค์สอนในสิ่งที่อยู่ในวิสัยเรียกวฐ า, านฐานะที่ควรเป็นประดก็สอนไม่ใช่สอนในสิ่งที่อเป็นอัถนะคือเป็นไปไม่ได้ก็สอนอย่างนี้คือไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกที่จะไปเกี่ยวข้องนี้ก็ไปสอนั้งหมดภูมิมุขเจ้ามีมากขนาดไหนนํามาสอนหมดได้ไหมนํามาประกาศสอนโลกหมดได้อย่างไนไม่ได้นั่นพระองค์ทรงรู้ทั้งฐานะทั้งอัถนะคือสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เป็นไปได ทั้งทั้งที่รู้ด้วยการหมดทั้งสองอย่างนี้พระองค์ก็จะแยกออกมาสอนเพียงสิ่งที่พอรู้พอเห็นเท่านั้น่สะสารโลกเขารู้ได้เห็นได้นาทําประโยชน์ได้ตามพระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นเป็นประโยชน์จัดสารโลกได้อย่างนั้นที่ทรงสอนนี่แหละภูมิของสตว ร, ระดับเล่าฟังเลยเออกมาจากไหนที่ว่านี่ก็ออกมาจากภาคปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งกิตติภาวนาเป็นสาคัญบุญทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับแม่น้ําที่ หลายมาจากสายต่างๆรวมกันมารวมตัวกันมามาสู่ทำโนบใหญ่คือกิตตภาวนานั้นเป็นที่เก็บน้ำํำกิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งบุญทั้งหลายไม่ว่าจะออกทางมาทางด้านทานด้านถินน่นด้านภาวนามากน้อยเพียงไรจําได้จำไม่ได้ไม่สําคัญสําคัญที่ต้องรวมลงไปรวมไปทํานั้นแล้วต้องเป็นอันทําบุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาป นี่แหละที่ว่ารวมลงไปรวมลงไปาพอเข้าถึงขั้นพิตจารนาแล้วเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายจากนั้นก็สามารถความรู้นี้เป็นความรู้ที่ละเอียดเข้าไปยังจรรยาแห่งความดีข้างหลังตัวเองออกไปกให้เห็นชัดเจนลงไปะถึงจนถึงขั้นที่ว่าจะไม่กลับก็รู้แหละที่นีภาในจิตใจอำนาจแห่งความดีข้างหลางหนุนเข้าไปหนุนเข้าไป จนทราบชัดทั้งๆที่วิเลตยังมีอยู่ในหัวใจก็ทราบชัดว่านี่ถึงขั้นไม่กลับแล้วก็รู้คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นอย่างพระอนาคามีท่านท่านไม่เกิดและท่านก็รู้ท่านด้วยว่าท่านไม่กลับนั่นน่ะธรรมสันติจิโกพระองค์สอนให้เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้รู้ได้เห็นไนดะ้จริงๆนเจ้าของพระองค์ก็สอนอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นแต่ว่ายังไงก็จะจะหลุดพ้นโดย ถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เดียวผู้จะไม่กลับผู้นั้นก็รู้ตัวเองว่าไม่กลับนั่นเนี่ยขั้นของกุศลที่ฉลาดแล้มคมเข้าไปโดยลําดับดํางคำว่ากุศลกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดก็ได้แต่ปัญญาขั้นของปัญญามีความล ะ, อมมละเอียดแล้มคมไปโดยลำดับด่างจนกระทั่งถึงทราบเรื่องของตัวเองชัดเจนว่ามีถึงถึงขั้นที่จะไม่ต้องมากลับอีกแล้วแต่ว่ายังมี เชื้ออยู่ที่จะต้องตกค้างอยู่ในภูมใิใดภูมิหนึ่งรู้อยู่ภายในใ จ, ใจิตใจนั่นจิ่งพันหนึ่งแก้เข้าไปแก้เข้าไปชําลาเข้าไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเราเหลือพันธุ์อจิตใจแล้วนั่นไม่ต้องถามอนิพพานท่านก็รู้แล้วพี่นิ้นที่เดลสแล้วไปถามมาอะไรฮหาสงสัยชิ้นแล้วหมดที่นี่ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วเี่ยถึงขั้นพอตัวตรงที่ก็รู้นี่แลหละอานาจแห่งสูง ทำเหล่านี้ใครเป็นคนสอนได้มีไหมในโลกกระถ่านนี้มีมีใครสอนได้ไมอืมเป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนได้เป็นผู้ค้นคว้าหาเจอเจอได้พระพุทธางงค้นคว้าได้เจอได้ดไไดไดก็คือพระพุทธเาเท่านั้นนั้นก็นําอุบายวิธีการที่ทรงค้นได้พบได้เห็นประการใดบ้างนํามาจังสอนสัตว์โลกเช่นพวกสาวกทั้งหลายในปัจจุบัน ศาสนาของเราเนี่ยเราคือพวกเบนจวัตีทั้งห้านั่นข้านญาคนณันญาเป็นต้นมาสอนตรงนี้วิธีการยังไงทังนจะสอนขึ้นเบื้องต้นก็ธรรมาจักรกับพระตนสูตรเลยแต่จะไม่อธิบายถึงนองธรรมจักรกับพระตรนัสูตรฉนั้นก็อธิบายถึงทาที่ละเอียดเข้าไปอีกคือตรายลักอนัตตาลคณะสูตรนั่น อา น, นิจังทุกขังนัตตาอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถึงขั้นที่จะปลดล็อจริงๆตร ง, งตรงนี้อญญายสัตตีนี่เป็นที่รวมทั้งหมดอา น, นิจังทุกขังนัตตามารวมในอญญายสัตตีนี้หมดนะฮะปัญญาขั้นละเอียดแล้วไมจะไม่ทราบเรื่องอา น, นิจังทุกขังนัตตาละ่ะทราบหมดอย่างเลยนี่อะจริงๆว่าอ่ารมณ์งานอันสําคัญที่ผิดความบริสุทธิ์ ไม่มากของไข่นับแต่ของพระพุทธเจ้ามาจกนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายคืออริยสัจนี่แหละเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นโรงงานที่ผลิตความเมตสุขขึ้นมาความเมตสุแห่งใจขึ้นมาจากที่นี่ปราจะจากไม่ได้อริยสัจเป็นธรรมจาเป็นเป็นรากเง่าข้าวหมูลของพุทธศาสนาของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตน ให้สมบูรณในอายะจัตตนี้แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความหลุดพ้นของตนและไม่สงสัยในธรรมโดยประการทั้งปวงรู้หมดตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกงวนอยู่ให้กว้างขวางไปไม่มีสิีดสุดพุ่มบําเพ็ญตามอายะัตตินี้ให้สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นหนักนี่แหละจุฬาสัสดาองค์อีกออกมาจากนี้ ท่านจริงได้ประกาศทำนีกิการวานเจตพระเป็นเว้าทีทั้งห้าเป็นปฐมมาเลิกทีเดียวอืเห็นไหมทำบวญเจ้าท่านทรงสั่งสอนเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำที่กล่าวมาเดียวเวลานี้นั่นน่ะมันสุดกูแล้วเหรอมันข้ามประหลาข้ามไปหลาทวีไปเหรอเราเอื้อไม่ถึงเราเหรอลือเป็นยังไงอืทุกอยู่ที่ไหนเวลานี้เราปฏิบัติธรรม เือนูกจิงเห็นกลิ่ในธรรมทั้งหลายทุกเป็นอะไรทุกขังอริยสัจจังใช่ไหมนี่ก็คืออริยสัจสมุติสมุทัยอริยสัจจังใช่ไหมอยู่ในกังวาลอยู่ในกายในใจของเราเวลานี้มันอยู่ที่ไหนไกลไหมสุดกู่ไหมอืมมันอยู่ที่ไหนเวลานี้แล้ว ก, มก็มรคคะอริยสัจจังอืมคืออะไรท่านบอกว่าสมาธิสมาสังโฆจนกระทั้งถีงสมาสมาธินี่คือเครื่องมือสังหารตัวสําคัญคือสมุ ท, ทยัย ให้พินนาศคิดหายไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธคือความดับทุกขึ้นมาเพราะสมุทัยคิดหายไปหมดแล้วใครจะผิดทุกขึ้นมาอีกมันก็นดับไปในดักธรรมชาติของมันเองในขณะที่สมุทัยนั้นดับไปมีคนเดียกว่านิโรธนั่นละเอียดหมายว่าพุทธเจ้าอาการอย่างความดับทุกข์ก็แสดงให้รู้ว่านี่อาการนั้นมีอยู่สี่ด้วยกันนี่โขกมีเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสมุทยัยนี่นิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากมรรค เรื่องค่าสังหรืสังหารที่เละเมื่อสังหารทีอิเละคือสมุทัยให้เจ็ดเิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ดับทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรอยู่ผู้ที่รู้ว่าทุกดับนั่นคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัตนว์นั่นละ่ะพุทธะแท้พระพุทธเจ้าเป็นตรงนั้นอันนั้นแ่ละเป็นพระพุทธเจ้าแท้ทุกสมุทัยรอดมากเป็นเพียงกิริยาหรือเป็นโรงงานผิดความมุ่สืบขึ้นมาอันเท่านั้น ทำไมมันจะไม่รู้แล้วเวลาเนี้อยู่ที่ไหนธําเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจของเราสรุปลงไปแล้วอยู่ที่ใจทุกคนตายแล้วมันมีทุกเหรอกคนเป็นคือมีหัวใจอยู่นั่นแหะมันเป็นทุกเพราะมันเป็นเกี่ยวโยงกันทั้งกายทั้งใจเป็นทุกชาติไปทยก่ข า, าชราไปอยูขามะนำ้ำไปอยู่ขังนี่ก็เป็นอะไรสัตว์นี่อนี้แล้วย่นเข้าไปย่นเข้าไปมันก็ไปเข้าไปหาจิตนั่นแหละบีบหัวใจบีบจิตนั่นแหละ พิจาราแยกค่าแยกขันดูจิงได้ยังไงว่ามันเป็นทุ่งจิตมันไม่มีไม่มีเวลาไล่เข้าไปจริงเนี่นั่นะที่แรกก็ต้องมีอยู่ในกายนี้ก่อนเมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปแล้วมันไล่เข้าไปจะมาะทั่งถึงจิตมีอยู่ในจิตทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในเสียงนี้ในในกับกับสิ่งเหนี้แล้วก็ไล่กันเข้าไปถึงจิตแล้วนั่นแหละค่ากันตรงนั้นค่าไปเลยุความสําขันนั้นหมายก็คือจิตคือกิเลสมันอยู่ในจิตมันจาคัญนั้นหมายออกมานั่นค่าเข้าไปตรงนั้นแก้เข้าไปตรงนั้นนั่นจนกระทั่งควาาามมมหหยก็ด เชื่อแห่งความสาคัญเที่ยวาอภิชาก็หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเอาที่นี่หลงอะไรว่าไปติดอะไรทิ่นีพูดผูดนั้นนะ่ะรู้แล้วน่ะ น, นั่นน่ะที่ว่าได้ดูทนแล้วเมื่อมากทํางานโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วดับทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิงได้เหลือแล้วเรียกว่าทางานเนจะทําโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความรู้สึกขึ้นมาในขณะนั้น นี่แหละผู้เป็นพุท ธ, ธะก็คือผู้นี้เป็นองค์ศัสดาที่ว่าก็คือ้ผู้นี้อพระสาคนอะไรพระสารีราชานี้เป็นรือนร่างของศัตว์สดาสัตนาแท้คือคื อ, คอจิจกิจผู้บริสุทธิ์แท้คือกิจสาวก็เหมือนกันอันเดียวกาันแล้วจะสงสัยกันที่ไหนนี่เราพุทธเจ้าสอนจริงแล้วไม่กินเอาพิจารณาไปที่ในสัจธรรมทั้งสี่ น, นี้สถานที่ท ผิดความรู้ขึ้นมาคือสถานที่นี่เองจริงว่าศาสนาจริงว่าเอกเห็นมันเห็นในตัวเองซะก่อนเมื่อเห็นแล้วมันยอมรับเองพระพเจ้าเอกเพราะเอขึ้นมาจากสถานที่ใดเอกด้วยวิธีใดมันรู้ทั้งวิธีรู้ทั้งสถานที่ที่ทําให้เป็นเอกเป็นเลิศรู้กัมาที่นี่ เรา่วาวทำหลายประเภทอันนี้นี่ทำทำเหล่านี้ทำที่เหมาะที่ควรจะสัตว์โลกจึงสอนลงที่จุดนี้ผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวจะไม่หนีจากนี่เลยการสอนจะย้ําลงในอริยสัจสิผู้ที่ยังอุปนิสัยยังเป็นกําลังเป็นไปอยู่ยังช้างวาสนาบา ร, รมีอยู่ที่ยังไม่ถึงขั้นนี่ควรจะเป็นไปนี้ก็คุณงามความดีทั้งหลายก็สอนไม่หมดแล้วนี่ จะว่างอะไรทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นไปด้วยกันแล้วแต่เมื่อถึงขั้นที่หยุดควรเอาจริงเอาจังแล้วมีแต่ภาวนาล้นลวนไล่เข้าป่าเข้าเขาอย่างท่านสอนทานเห็นไหมอืมไล่เข้าป่าเข้าเขาเป็นภาวนาอยู่ในป่าในเขาเป็นยังไงบุรีเจ้าอยู่ในป่าท่านเป็นยังไงเราเข้าอยู่ในป่าเป็นยังไงพระองค์ประกอบความเพียรอยู่ในป่าเป็นยังไงเราประกอบความเพียรอยู่ในป่าเป็นยังไง